ถูกสรงมันล้างเราจุดค่ะก็เมื่อคืนลองทำความสงบดูค่ะหลวงพ่ออ่าตอนแรกผู้โทรทีทีอะคะ่ะแต่ก็ยังเห็นว่าผู้โทรทีทีก็ยังหนีไปฟุ้งอยู่ก็จนกระทั่งเป็นนโมตัสสะก็ก็อยู่ได้เทีนี้จุนเห็นว่ามันมีระยะหนึ่งอะคะ่ะที่เหมือนเขาทำเขาทำเองอะคะ่ะเขาถอยไปถึงอะไรสักอย่างหนึ่ง แต่เหมือนภาวะตรงนั้นเนี่มันซึมซึมนิดนแล้วก็รู้ว่าว่าเขาถอยไปตรงนั้นถอยไปตรงนั้นนะคะก็คอยลูตรงนั้นอยู่อ่ะค่ะยังซึมอยู่เนาะหลบไหมมันมันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่กระชับกระชิงอะคะ่ะผิด ม, มันมีโมูลฮะค่ะแต่ตอนนี้มันคอยจะไปดูที่ฟุ้งที่ที่ตรงนั้นมันก็ไม่แต่รู้ว่ามันมีอะไรเหมือนเป็นหมอกหมอกอยู่อะค่ะไม่จบอยา่าไปเกลียดมันก็แล้วกัน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 บางทีไม่มีราคาไม่มีโทสะเลยแต่มันมีโมหะกว่าจะพ้นโมหะต้องเป็นพระอรหันต์นะโ <c oughs> มหะดูยากเป็นเกนเล์ไม่กิเลตยิ่งละเอียดนะยิ่งใสกิเลสคุณคุดูง่ายนะคุณดูง่ายตอนะเราปฏิบัติมากเข้ามากเข้ากิเลสีใ่ใสมากขึ้นได้ จนนึกว่าเป็นกุศลเนะอยหยุที่ค่อยเรียนไปไม่เข้าใจไปยังไม่เข้าใจก็โดนหล อ, อกไปไม่เป็นไรโดนหล อ, อกมาเยอะแล้วโด น, นอีกนิดหน่อยไม่เป็นไรโ <c oughs> ยมมาจากไหนวันนี้ <c oughs> ามากากใครนะม <c oughs> าด้วยกันกบกันบ้านกันเขาอากาศหลวงพ่อเจ้าค่ะ หลังสุดที่เป็นส่งกันบ้านกะหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นจิตไม่มีกำลังแล้วค่ะเพราะช่วงนั้นอคติสนเขา้าเขา้าสี่ห้าวันไม่ตั้งสติไม่ทันพอกลับไปก็ฟื้นได้สักสามวันแล้วค่ะว่จิตมันก็เริ่มค่อยๆปรับปรับจนกระทั่งก็เลยเห็นถี่ขึ้นเห็นการเผลอบ่อยขึ้นก็ลองจับเวลาดูแล้ค่ะก็สิบนาทีครั้งแรกก็ได้สักยี่สิบครั้ง ล่สุดนี้จ <th> uh> ับได้ก็ประมาณสัก32ครั้งได้เลยค่ะ10นาที10นาทีเจ้าค่ะเหลือ32ครั้งเจ้าค่ะหนูใช้ก้านไม่ขีดไฟนะคะเวลามันเผลอกับหยอดไว้หยอดไว้จะจับเวลาถึงไปเจอก็ค่ะเสร็จแล้วก็ครานี้ไปอยู่เมื่อสี่ห้าวันก่อนเนี้ยเจ้าค่ะจิตมันเหมือนกับมันไฮเปอร์มากค่ะตอนนอนอืวันแรกเนี่ยรู้สึกมันไม่หลับเฮ้ยมันหลับอยู่ ก็สู้กับมันพอคืนที่สองก็สู้น้อยลงพอสามไม่สู้ละก็ดูเฉยๆพอคืนที่สี่จนคืนที่ห้าไม่เห็นแล้วพอก็รู้สึกว่าเอสภาพมันเหมือ น, นจิตมันหาเปื่อมากในขณะที่นอนชค่ะเพราะว่าอาจจะไปไม่ทราบว่าไปสู้กับมันต่อจะทํามันก็เลยหาเปื่อนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ขณะนั่งสมาธิอยู่ก็เห็นเวทนาที่มันแยกออกมาจากตัว แล้วก็มีจิตที่ดูอีกตัวหนึ่งเจ้าค่ะตอนนี้ตามสภาพปัจจนนี้ก็รู้สึกว่าจิตมันใช้คําว่าห้าวหาญ<ม>พอดีวันก่อนฟังได้ยินคุณโจมพูดในในซีดีเออใช้คํานี้เลยอจิตตั้งมั่นมันยังไม่ใช่จริงแต่ห้าวหาญช่วงสี่ห้ า, หา ว, วันเนี้เจ้าค่ะมีความรู้สึกตรงนี้ขึ้นมาค่านดีห้าวหาญจะสู้ไปห้าวหาญอย่างเดียวไม่พอเราตั้งมั่นด้วย ตอนนี้จิตตั้งไม่ถึงฐานมนะันรู้สึกไหมความรู้สึกตัวของเราไม่ตั้งถึงฐานให้ดูทันนะสองคนรู้สึกมาอย่างไหนนะฝึกมาแบบไหนเนุ่มาจันร์หนุมข้าจันรน่ารักนลใช่ไนักเลงดิหนุ่ม้าจเห็นน่ารั ก, นะ <laughs> กดิจริงจริงสัมมาไม่ได้อยู่ไกล คนที่ให้ธรรมะเราคนแรกคือพ่อแม่เพราะพ่อแม่ให้รูปธรรมในกายนด้เป็นที่ตั้งของนา ม, มาธรรมรูปธรรมนา ม, มาธรรมนี้แหละธรรมะนอกกนั้นก็เป็นครูบาอาจารย์บาอาจารย์ก็ามาต่อเติมให้เรารู้จักใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้ให้มันเกิดประโยชน์คนที่ไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมมีต้นทุนที่ดี มีกายมีใจมีรูปมีนม้ำเอามันไปทำชั่วหรือใช้มันไม่เป็นมันพัฒนาจิตใจต่อไปไม่ได้ใช้ไม่เป็นบาอาจารย์ก็มาบอกต่อ่จะใช้รูปใช้นามให้เป็นประโยชน์สูงสุดเอง่งในแรกก็ใช้รูปใช้นามไปถือศีลรำทางคือศีลทมสมาธิสุดท้ายใช้รูปใช้นามให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเอามาเรียน มาเรียนรู้เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้รูปเรียนรู้นามอันหนึ่งเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามไม่ใช่ตัวเราจะได้พระโสดาบันถ้าเท่ารู้รูป ร, รู้นามต่อไปอีกจนปล่อยวางรูปได้ปล่อยได้เด็ดขาดได้ทาหนักขานะปล่อยวางจิตได้เด็ดขาดเนี่ยเป็นหมดภุรัญาศาสนา แล้วมีแต่ความสุขล้นล้นไปก่อนอันนี้เราสมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูงถ้ายัางถึงขนาดวางจิตวางใจไม่ได้นะแค่เห็นความจริงว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราก็ถือว่าดีมากแล้ววันหนึ่งทั้งหน้าในอนาคตไม่กี่ชาตินี้ก็จะวางจิตวางใจได้เฮ้ยเราว่ดใช้ต้นทุนที่พ่อแม่ให้มา ให้คำสอนของครูบาอาจารย์ที่สืบทอดมาจากพระพุทธเจ้าให้มารู้กายมารู้ใจอย่ากำหนดนะทั้งที่พลาดทั้งที่กำหนดนะรู้แล้วมันจะได้เห็นความจริงกำหนดมันจะเห็นแต่ความนิ่ ง, ง, บ, งบังคับนี่การหัดรู้หัดดูมันก็มีสิ่งที่ผิดพลาดหลกัหลกๆสองอันเหลือไปบ้างเข่งงไอ้บ้างที่ผิดหลกัหลกๆมีสองอัน เดี๋ยวก็หนักไปเดี๋ยวก็เบาไปมันจะลงไปสู่ควาเป็นคู่คู่ถ้าไม่เผลดไปก็เพยงไว้ไม่หนักไปก็เบาไปไม่สุขก็ปุกไม่ดีก็ชั่วไม่ละเอียดก็หยาบไม่อยู่ข้างในก็ไหลไปข้างนอก่างตอนนี้ไม่ตั้งอยู่ภายในแต่ข้างนอกนอมันจะเป็นคู่คู่ใจเราจะเวียนอยู่ในธ ร, รมมาที่เป็นคู่คู่ ถปัญญาแจ่มแจ้งขึ้นมาเจมไม่อยู่กับความเป็นคู่แล้วนี่เลยสุขกระทุก้บก็เสมอกันไม่เอาดีกับชั่วก็เสมอกันไม่เอาอยากกับละเอียดภายในภายนอกเสมอกันไม่เอายายไม่เอาอี่งกายเห็นทําไมไม่เอากายมันเห็นเห็นควมามไร้สาระสุกคนชั่วคราวทุกมันชั่วคราวดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วกครา ว, าวข้างในข้างนอกก็ชั่วคราอะไรอะไรที่ยังลงไปรู้ได้เรียกว่าพบทั้งหมดเลย ก็เป็นของโชคขาวทั้งหมดใจเห็นทุกอย่างเป็นของโชคราวหมดใจวางค่อยวางไปถ้าไปเหลือหนึ่งไม่เป็นคู่แล้วจิตก็เป็นจิตหนึ่งทำก็เป็นทำหนึ่งไม่ใช่เป็นทำคู่คู่ทำที่เป็นหนึ่งก็มีแต่นิพพานทำนอกเหนืนิพพานเป็นทำคู่คู่เป็นคู่จิตที่เป็นหนึ่งเรียว่ากิริยาจิตหายกิริยาจิต เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเพราะว่าไม่เข้าแวะไม่ไปถูกความเป็นคู่มาย้อมมันแต่ของเราถูกสิ่งที่เป็นคู่มาย้อมเช่นถูกสุกกับฟูกมาย้อมถูกดีกับชั่วมาย้อมยอมได้ใจของนั้นโดยตัวของมันเองมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วแต่ที่มันกลายเป็นสองเพราะว่ามีสิ่งมาย้อมอยังย้อมติดงั้นเราจะเรียนรู้ไปนะวันหนึ่งไม่มีอะไรย้อมติด ใจนี่เหมือนดอกบัวอยู่ในน้ำนะไม่เปียกน้ำไม่มีอะไรยอมได้จ่มีแต่ความสุขล้วนๆมีความสุขที่สุดเลยบอกไม่ถูกก็สุขยังไงไม่ใช่ต้องสุขตอนไปเข้าสรรมาบัตินะไม่จาเป็นเลยถ้าสุขตอนเข้าสรรมาบัติยังกระจอกลอกงอยอยู่ <c oughs> มีความสุขล้วนๆเลยตลอดเวลาทั้งตื่นทั้งหลับเลยนะสุขยืนเดินนั่งนอนก็มีแต่ความสุข มีความสุขเพราะว่าใจไม่เป็นถูกความเป็นผู้เันย้อมเอาถ้ายังถูกสิ่งที่เป็นผู้ย้อมยังแป่งไปแป่งมาจะค่อยเรียนแต่ที่ส่งกันตบ้านวันนี้ทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นใหม่เลยค่ะหลวงพ่อเหมือนมันกำลังสับสน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 ไม่ว่าการปฏิบัติจะอยู่ในขั้นใดนะจนถึงขั้นสุดท้ายเลยเดินอรหัตธรรคอยู่ตรนี่ยทักเพียรไปเพื่อให้อรหัตธรรมเกิดนะบางครั้งก็สับสนขึ้นมาแล้สับสนขึ้นมาแลให้มานับหนึ่งใหม่ต้องใจถึงนะนับหนึ่งใหม่ทุกวันต้องนับหนึ่งใหม่เรื่อยๆไปอย่างบางวันเราภาวนาปนะิดแจมสวางทุกสิ่งทุกอย่างนะหลุดออกมาเป็นอิสระละ อีกวันหนึ่งพอเราตื่นขึ้นมาเราไปคิดถึงความเป็นอิสระจิตก็ไปเป็นอิสระอีกหลายๆวันนะมันเป็นอิสระก็ไปคิดเราเราจะเห็นเลยว่าจิตที่ว่าหลุด hmm. พ้นแล้วหลุดพ้นแล้วหมองได้ยังหมองได้ยังมัวได้ยังอึดอัดขัดข้องได้ยังถูกบีบคั้นได้มันถูกบีบรู้สึกไหมแต่เราถูกบีบบีบตลอดเวลายังถูกบีบคั้นได้มัวได้หมองได้ถูกบีบคั้นได้ ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงแล้วจะทํำยังไงดีปฏิบัติเจนกรนทั่งปล่อยวางอะไรอไรปหมดแล้วไม่รู้จะหยิบฉวยอะไรมาแล้วนะมันยังมองลงไปได้อีกนับหนึ่งอีกนับหนึ่งนะมารู้กายมารู้ใจทุกวันอย่าทิ้งการรู้การรู้ใจนี่แหละอย่าทิ้งไปอยู่กับความว่างาบางคนนึกว่านับว่บาถึงสิบนี่นับสิบนะถึงความว่างนับสิบถูกหลอก รู้วันนับหนึ่งไว้คือรู้กายรู้ใจไว้ไม่มีขั้นมีตอนอะไรเลยเคยมีคนมาถามหลวงพ่อถามบ่อยๆนะแต่ก่อนนี้เดี๋ยนี้ไม่มีคนถามอย่างนี้เมื่อก่อนถามว่าถ้ารู้สึกตัวเป็นแล้วจะทํายังไงต่อไปเรก็รู้กายรู้ใจไปแล้วรู้กายรู้ใจแล้วทํายังไงไม่ทําอะไรก็รู้กายรู้ใจไปทั้งชาติอนะ่ะการปฏิบัติไม่มีอะไรเกินนั้นเพราะงั้นไม่ต้องตกใจนะ บางครั้งภาวนาไปแล้วจนกระทั่งเหมือนภาวนาไม่เป็นก็ไม่ต้องตกใจเป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องฉลาดไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วรักษาไว้ได้บรรดาญาณทั้งหลายเกิดได้ก็ดับได้จนกระทั่งถึงสังคารุเบกขายานซึ่งสุดยอดของมิปัสชนาธรรมาฐานที่เราทำได้แล้วเป็นญาณโลกียะแคบแต่ตัวสุดท้ายที่เราทาได้ ก็เป็นของเสื่อมอย่างวาภาวนาไปถึงจุดหนึ่งใจเป็นกลางเป็นกลางกัดสุกและทุกเป็นกลางกับดีและชั่วอยู่ๆมาไม่เป็นกลางอีกแล้วทำไมเป็นอย่างนี้ได้ขึ้นไปยานที่เก้าแล้วหล่นลงมาอีกแล้วเนือยานที่เท่าไหร่นะก็สิเ็ดใช่ไหมมันมียานข้างหน้าอยู่สองสามอันก็ของมันเป็นของเพียงเสื่อมได้ เป็นโลเกียะงั้นอย่าตกใจนับหนึ่งไว้มันหลายๆครั้งมันก็จะเห็นว่าจิตใจในความสับสนนะคะหลวงพ่อเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่แต่มันก็เข้าไปเห็นว่าจิตใจมันทํางานของมันเองเออมันทําอะไรของมันไปบงังคับมันไม่ได้นั่นแหละปัญญามันอยู่ที่นั้นเรียตรงนี้มากๆนะเนี่ยนับหนึ่งไปเรื่อยก็คือดูจิตดูใจของเราไปเรื่อยนับหนึ่งทุกวันนะี เห็นมันทำงานเห็นมันดีเห็นมันช is ั่วเห็นมันสูงเห็นมันทุกเห็นมันตรุงแต่งอย่าน้อปเข้าหาความไม่ปรุงแต่งให้ปรุงแต่งไปปรุงแต่งแล้วเราก็จะได้ค่อยเห็นไปโอามันทำงานของมันเองทั้งวันตั้งคืนนี่มันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราที่เห็นอย่างเนี้ยจนใจมันยอมเลยแใ่มันพอมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมไม่ใช่เห็นอะไรนักหนาหรอกใจมันยอมรับธรรมะ ธรรมะคืออะไรอ่ะธรรมะก็คือการที่เห็นว่า ก, กายกับใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นั่นแหละธรรมะอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นใจของเราเริ่มสัมผัสธรรมะแล้วรู้สึกไหแต่ของเราเริ่มสัมผัสกับธรรมะเราได้เห็นแล้วจิตนี้ทํางานทั้งวันทั้งคืนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เลือกก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้สัก อ, อย่างเดียวนี่เราเห็นอย่างเเห็นทุกวันทุกวันจนถึงจุดหนึ่งมันจะยอมรับ ก็มันยอมรับว่ากระทั่งจิตนี้ก็ไม่ใช่เรานะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาทํางานของมันเองทั้งวันทั้งคืนบังคับไม่ได้ใจยอมรับตรงนี้ยอมรับตรงนี้ใจจะไม่ดิน้นเลยเข้าถึงความจริงใจหมดความปรุงแตง่งเหมือนการสแสวงหาเหมือดการดินน้นรนจิตใจที่ไม่ดินน้นรนไม่หิวโหยทุรนทุรายอยากโน้อนอยากนี้ขึ้นมามันเป็นที่ความจริงใจจะเข้าไปถึงนิพพาน คนความปรุงแต่งได้ชัว่วขณะนะเดี๋ยวเราจะกลับออกมาสู่โลกภายนอกนี้ใหม่อ ย, อย่าอย่ไปคิดว่านิพพานเป็นโลกภายในนะะแต่ว่าในขณะที่เราไปเห็นนิพพานขณะแรกจิตเยจเข้าอัปนาสมาธิตรงทีเราก็จะไปสําคัญว่านิพพานอยู่ที่ไหนในในฌานนิพพานไม่ได้อยู่ในฌานหรอาศัยฌานเนเพื่อสนับสนุนให้มีกําลังตั้งมั่นขอ นี้ถ้าเราเห็นนิพพานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็อาศัยการเห็นในฌานแต่ครั้งที่สี่เห็นอยู่ในฌานนะถัดจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้เรื่อยๆแค่น้อมใจมนักสิการถึงแค่มานักสิการถึงก็เห็นเลยนี่อยู่กับวัดสีว่าเราจะน้อมก็ไปเห็นได้สม่ำเสมอตามใจชอบไหมตัวนี้เรียกว่าพลัสสมาบัตผลสมาบัติ ผลสมาบัตไม่ใช่ฌานสมาบัตนะดังนั้นผลสมาบัตไม่ใช่การเข้าไปแล้วก็หมดความรู้สึกใไปการหมดความรู้สึกมันเป็นอสัญญาสัตตาภูมิกลมลูกฟักเป็นตัวฌานสมาบัตไม่ใช่ผลสมาบัตเดี๋ยหลวงพ่อสอนเยอะไปแค่นีน้หลวงพ่อเวลาพูดธรรมะมักจะพูดเผือ่อเผื่อไว้ในอนาคต ฟังฟังไปถึงเวลาที่มันต้องใช้มันก็เอามาใช้ได้เองฟังไปถ้าเราไม่รู้่างสารวัตนี้เป็นของไม่แน่นอนอาจจะไม่มีโอกาสมาฟังหัวงพออีกก็ได้งั้นฟังไว้ก่อนวันนี้ยังไม่ได้ใช้นะแต่อนาคตจะได้ใช้เามีคนอยากฟังต่อหลอน ผลสม บ, บัตินี้นะไม่ได้เกิดจากว่าสีของการทำฌานนะไม่ได้เกิดจากว่าสีในการจะเห็นนิพพานในขณะที่เกิดมรรคเกิดผลเพราะว่าสีไม่มีมรรคผลเกิดครั้งละขณะจิตเดียวเห็นเท่าๆกันหมดเลยแต่ผลจะไม่เท่ากันนะมรรคเท่ากันแต่ผลไม่เท่ากันนะ ผลที่มากที่สุดนะก็เห็นแค่เท่าไหร่สิบสองครั้งอย่างต่ําก็เห็นแปดครั้งเห็นนิพพานได้แปดครั้งพวกที่เห็นบ่อยก็สิบสองครั้งเนี่ยไม่มีวสีเพฉะั้นการที่จะเข้าผลสมบัติชํานาญหรือเปล่าอยู่ที่ปัจจเวกขนาเพราะปัจเจเวกขนาเนี่ยนับไม่ถ้วนนับเท่าไหร่ก็ได้พิจารณาไปเรื่อยๆได้เพราทวนขึ้นมาทีไรก็ต้ทวนขึ้นมาได้เรื่อยๆ เ็รา ต, ตัวอย่างจิงตในกล้องแคล้วชั้นนี้ชํานานยำนิพพานได้แม่นยำแค่มาณสิการถึงมันก็ถึงเลยเพราะฉะนั้นการเข้าผลสมาบัตินะจะชำนานเข้าได้ไหรือไม่ได้อยู่ที่มี เ, เรียกว่าปัจเเวกขณะวสีไหมไม่ใช่ชานสมาบัติเป็นมัสีต่เป็นปัจเเวกขณะวสีเอาคุณอนุปูนเป็นไง จิตเป็นยังไงขนาดนี้จิตมัวมัวรูืไหมจิตมืดปิดมัวทำไมรัศมีเป็นดำยุ่งกับงานดูไปเรื่อยๆนะถึงไหนลอะคุณมันเกิดรู้ตัวได้บ่อยซึ่งครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มท้อแล้วครับไม่ว่าจะปานี่ขนาดไหน มันก็เสื่อมก็แล้วเออมันของเสื่อมนะแต่มันของเสื่อมก็ต้องทํำนะไม่ใช่ว่าเออมันของเสื่อมเลยทอแอสทอดอะไรแล้วแต่เวีแต่กลับเงินไม่ได้นะแต่มีศรัทธาความเชื่ออยู่อย่างนะว่าถ้าพูดเดินทางยังไม่ยอมหยุดยั้ยงนะเราจะถึงจุดหมายปลายทางกอนเออมันต้องอย่างนั้นต้องสวมหัวใจอย่างนี้เขาเรียกสวมหัวใจนางสิงหรือนายสิงสู้ตายหอยไม่ได้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 ทุกอย่างที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนหลวงพ่อเคอ่านหนะังสือเขาบอกว่าความทุกข์ที่มากที่สุดเลยนะทุกทางร่างกายในตอนออกรูปแต่หลวงพ่อไม่เคยออกรูปเลยไม่รู้รับรองไม่ได้แต่เห็นว่าทุกทางจิตเนีนะนลยเวลาที่มันจะข้ามพบข้าค่ราบําหรับบางคนนี่ทุกสุดสุดเลยตรงนั้นถ้าใจถอยนะใจถอยก็คือเสียโอกาสเลย แล้ต้องฝึกใจให้เข้มแข็งสู้ตายถึงมันนั้นต้องสู้ตายงั้นฝอยไม่ได้บางครั้งทอนะบางครั้งก็ทอแต่ท้อก็ต้องสู้นะสู้ไปทอ้ทอๆแหละทอแล้วไม่ถอยเดินวันละเก้าก็ยังดีกว่าไม่เดินเลยแต่ไม่ต้องรีบเดินการปฏิบัติเนี่ยต้องตั้งใจว่าเป็นงานที่ทํากันทั้งชีวิตเลย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 มันจะรีบเหมือนจัดตักน้ําใส่ตุ่มนะรีบตักเร็วๆจะได้เต็มตุ่มเร็วๆไม่เป็นอย่างนั้นหรอกตุ่มอันนี้เป็นตุ่มที่รั่วนะเอาน้ําใส่เข้าไปก็ไหลออกมาน้ําใส่เข้าไปก็ไหลออกมาวันหนึ่งโอ้ตุ่นี้ใช้ไม่ได้แนละ้วทุกตุ่มทิ้งนะนู่นหมดภาระกระันตรงที่ทุกตุ่มทิ้งไปแลนะ้วเนาะงั้นใจเย็นๆอยๆเติมน้า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 ได้ร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งเรียนอยู่อย่างนั้นนะเรียนอยู่นจนกระทั่งมันรู้สึกพอใจแจม่มแจ้งถึงจะเปลี่ยนไปเรียนอันอื่นทำไมเข้ามาหาวิทยาลัยปีหนึ่งไปหันเล่นกระบี่กระบองฝึกกระบี่ฝึกท่าเบสิกหรือท่าเดียวเพื่อนๆพื่อ้อไปได้หลายสิบท่าแล้วเรามีอยู่ท่าเดียวนะแต่พอเลยมหัดปฏิบัติ ตามรู้ตามดูทุกวันไม่ถอยไม่เคยถอยเลยลําบากยากเขกินไงก็ต้องดูหรือตานจะบวดหลวงพ่อน้ําหนักเยอะนะนเป็นกรรมพันธ์นะกินน้อยยังไงมึงก้นวนทั้งตระกูลเหมือนก้วนทั้งตระกูลมีญาติคนหนึ่งนะขายรถเก่งไลยเพราะเพเข้ารถเก่งไม่ได้ไปซื้อรถปิ๊กอัพเหมือนนั่ง น, นั่งข้างหลังนะคนเดียวมันเป็นสายพันธ์อย่างนั้นทีน้ําหนักเราเยอะนั่งคุกเขาไม่ได้นาน โอ้ตอนบวดมันต้องคุกเขาซ้อมนะซ้อมทุกวันนะวันแรกได้ครึ่งนาทีขาจะหกะักแล้วซ้อมอีกวันหนึ่งเพิ่มได้อีกห้าวินาทีอีกวันหนึ่งเพิ่มได้สามวินาทีอะไเงี้ยซ้อมอยู่อย่างเงี้ยอดทนมากเลยค่อยๆซ้อมไปแล้วเป็นคนที่ไม่จำํำท่องอะไรก็ไม่จนะํานะธรรมะพูดพูดมานี่ไม่ใช่จําไว้นะไม่ได้เอาความจํามาเล่าเลย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 ไม่เก่งไม่ต้องรีบร้อนแต่ไม่ถอยคือนี้สําคัญถ้ารีบร้อนเมื่อไหร่ล้มเหลวเมื่อ น, นั้นแหละงานกรรมฐานเป็นงานที่ประนีตที่สุดเลยประนีตเพราะเป็นเรื่องของ จ, จิตใจอะไรจะประนีตถ้าหัวใจเราไม่มีหรอกงานที่ประนีตสุดๆเก็ค่อยๆเรียนค่อยๆรู้อย่ารีบร้อนถ้ารีบร้อนแล้วกิเลสมันจะเอาไปกินหมดนั้นอึด น, นะอึดคอยรู้คอยดูไม่ถอยอยังไงวันหนึ่งต้องสําเร็จ เส้นทางนี้ไม่ได้ยาวไกลเลยมาผลนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนิพพานไม่ได้อยู่ไกลนะไม่ต้องรีบร้อนเดินไปหาไกลๆรีบจำเอาเอายิ่งจำไปยิ่งหลงไปเลยเพราะนิพพานมันอยู่ต่อหน้านี่เองใจเย็นๆใจเย็นแล้วค่อยๆลืมตาขึ้นมะาลืมตาจริงๆไม่ใช่ตานี้นะนี่ตาปลอมตานี้ในทันแก่ก็เริ่มมองไม่ค่อยเห็นนะลืมตาจริงๆก็คือเราเห็นด้วยใจของเรา เห็นความจริงในจิตในใจของเราด้วยใจของเราเรียนรู้ไปจิตใจนี้ไม่เคยเที่ยงเลยเ่อนหยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ทำงานได้เองบังคับไม่ได้นี่เรียนอย่างนี้แหละอย่างที่ทาอยู่นั่นแหละนับหนึ่งไม่มีนับสองอาจสุรวัตเขียนหนะังสือนับหนึ่งดีนะไม่ต้องมีนับสองนะอนสุรวัตรนับหนึ่งพอละนับหนึ่งก็จะถึงคำหนึ่งนะ นับสองนับสามนับสีนุ้งต้านไป